พระพุทธศาสนากับเรื่องนรกทางพระพุทธศาสนารับรองเรื่องนรกทั้งหลายเพียงไรการที่จะตอบปัญหานี้ต้องอาศัยหลักฐานและเหตุผลตามหลักชั้นบาลีที่อ้างว่าเป็นพระพุทธวจนะก็กล่าวในที่ทั่วไปถึงนิระยะหรือนรกในฐานะเป็นคติที่ไปภายหลังตายของคนทําบาปอังกุศลทุจริต แต่โดยมากไม่ได้กล่าวถึงลักษณะและรายละเอียดต่างๆมีเฉพาะบางพระสูตรและชาดกเท่านั้นแสดงลักษณะและรายละเอียดไว้ดังได้ยกมากล่าวไว้แล้วลักษณะและรายละเอียดเหล่านั้นน่าจะเป็นเรื่องแทรกเข้ามาตามคติเก่าแก่ซึ่งเชื่อกันต่อๆมาจากต้นเดิมหลายทางด้วยกันจนถึงพระอาจารย์จดเข้าไว้ในบาลีพระสูตรพระอาจารย์ต่อมา ผู้อธิบายบาลีได้ปรับปรุงจัดให้อยู่ในแนวทางเดียวกันซึ่งก็ไม่สนิทนักดังกล่าวแล้วและในนรกก็ใช้เครื่องเหล็กตลอดถึงอาวุธเป็นต้นว่าหอกดาบเช่นเดียวกับในมนุษย์โลกจึงน่าจะมีแสดงขึ้นในสมัยที่มนุษย์รู้จักใช้เหล็กและรู้จักทำห อ, อกดาบเป็นต้นใช้แล้วฉะนั้นน่าจะยุติได้ โดยไม่ผิดว่าทางพระพุทธศาสนานำชื่อว่านิระยะหรือนรกมาใช้เช่นเดียวกับคำอื่นๆเช่นอรหันต์พระควาพรหมภิกุนิพานเป็ตนต้นในคำเหล่านี้เดินมีความหมายอย่างหนึ่งทางพระพุทธศาสนานำมาใช้ในความหมายอีกอย่างหนึ่งไม่ตรงกันคำว่านิระยะก็เช่นเดียวกัน เมื่อเป็นเช่นนี้จะมีความหมายอย่างไรในเบื้องต้นควรจะหาความหมายตามหลักฐานที่ยุติไว้ด้วยเหตุผลก่อนได้พบบาลีอธิบายเรื่องนิรยะไว้ในสลายตนะวัชในรูปความเป็นพระพุทธดำมรัสตรตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเราได้เห็นนิรยะชื่อว่าภาษายะตะนิกะคือ เกิดทางอายตนะที่เป็นทางผัสสะคือสัมผัสถูกต้องหกแล้วคือในนิริยะนั้น 1. เห็นรูปด้วยจักสุ 2. ได้ยินเสียงด้วยหู 3. ดมกลิ่นด้วยจมูก 4. ลิ้มรสด้วยลิ้น 5. ถูกต้องโพธะะด้วยกาย 6. รู้เรื่องด้วยใจยังได้อย่างหนึ่ง ก็ได้เห็นได้ยินได้ดมได้ลิ้มได้ถูกต้องได้รู้ซึ่งรูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะและเรื่องล้วนแต่ไม่น่าปรารถนาไม่น่ารักใคร่ไม่น่าชอบใจตามอธิบายนี้ควรฟังได้ว่าเป็นอธิบายนิรยะในพระพุทธศาสนาเป็นอธิบายที่ไม่มีผิด คลุมไปได้ในนรกทั้งหมดและครอบได้ทุกการเวลาแม้ในปัจจุบันเดี๋ยวนี้เองก็ตกนรกได้ในเมื่อเครื่องแวดล้อมทั้งปวงมีแต่ทุกข์ซึ่งตนเองได้รับเสวยถึงนรกในภายหลังตายจะมีก็รวมลงเป็นเครื่องแวดล้อมให้เป็นทุกข์ซึ่งบังเกิดขึ้นทางภัตตาะทั้ง6นี้เช่นเดียวกัน เว้นภสสาษาจัตนาทั้งหกนี้เสร็จแล้วทุกหรือสุขอะไรก็บังเกิดขึ้นไม่ได้ฉะนั้นจึงยุติได้ว่าพระพุทธภาษีนี้อธิบายนรกในพระพุทธศาสนาโดยตรงการอธิบายให้ต้องด้วยหลักฐานเหตุผลใช้ได้ทุกการสมัยดังนี้เพิ่งเห็นว่าเป็นลักษณะอธิบายพระพุทธศาสนาโดยทั่วๆไปภูมิเตรฉาน ได้กล่าวถึงเรื่องนรกมาแล้วจะได้กล่าวถึงเดรัชานต่อไปจมพวกนี้จัดเป็นอบายภูมิหรือทุคติถัดจากนรกโดยมากอยู่ร่วมโลกกับมนุษย์เห็นกันอยู่โดยปกติไม่เกิดปัญหาว่ามีหรือไม่มีอย่างอบายภูมิจมพวกอื่นแต่ในคำภีก็ยังมีกล่าวถึงเดรัชานบางจาพวกในป่าหิมพนันเป็นจำพวกพิเศษเช่น นาคครุฑและในสวรรค์ชั้นดาวดึงเช่นช้างเอราวัณคนธรรมดาในโลกไม่เคยพบเห็นตัวจริงพบแต่ที่พรรณนาลักษณะต่างๆไว้ในหนังสือคัมภีร์และภาพที่เขียนไว้ตามที่คนเรานี่เองเขียนตามลักษณะที่พรรณนาไว้นั้นและใช้ความคิดดัดแปลงให้เกิดความงดงามอ่อนโยนหรือดุร้ายเป็นต้นตามที่ต้องการ กลายเป็นภาพจิตกรรมหรือศิลปะจิตกรรมภาพของสัตว์บางชนิดลงตัวเพราะเป็นที่รู้จักรับรองกันทั่วไปเช่นภาพครุดภาพหงเมื่อเขียนให้มีลักษณะอย่างนั้นก็รู้จักรับรองกันว่าครุดว่าหงถ้าใครไปเขียนเป็นอย่างอื่นก็ไม่ใช่ครุดไม่ใช่หงนึกถึงลายเคลือวันที่เขียนหรือแกะสลัก อันที่จริงเป็นภาพศิลปะประดิษฐ์ขึ้นจากเครือเถาต้นไม้จริงๆแต่เมื่อประดิษฐ์ให้งดงามแล้วก็กลายเป็นประดิษฐ์ศิลไม่ใช่ของจริงถึงดังนั้นก็มีมูลความจริงคือเครือเถาต้นไม้นั่นเองสัตว์พิเศษเช่นครุฑหงษ์เป็นต้นก็น่าจะเป็นเช่นเดียวกันตัวจริงที่เป็นมูลเดิมน่าจะมีอาจสับูนไปแล้วหรือมีซ่อนเร้นอยู่ก็ได้ ตามศั์เรียกว่าติรชานโยนิแปลว่ากำเนิดติรชานคือสัตว์ที่ไปตามขวางคือทอดกายไปไม่ตั้งกายขึ้นตรงเหมือนอย่างมนุษย์ในภาละบันดิตสูตรแสดงไว้5ประเภทคือ 1. ตินะพักขาจำพวกมีย่าเป็นพักษาระบุชื่อม้าโคลา แเนื้อ 2. คู่ทะพักขาจำพวกมีคูดเป็นพักษาระบุชื่อไก่สุกรสุนัขสุนักจิ้งจอก 3. จำพวกเกิดแก่ตายในที่มืดระบุชื่อตั ก, กแตนบุ่งไสเดือน 4. จำพวกเกิดแก่ตายในน้ำระบุชื่อปลา เต่าฉลามห้าจำพวกเกิดแก่ตายในของโสโครกเช่นเกิดในปลาเน่าในศพเน่าในขนมบูดในน้ําคลําในน้ําเน่าอีกอย่างหนึ่งท่านจัดไว้สามจำพวกคือพวกการมสัญญามุ่งหมายแต่กามอาหารสัญญามุ่งหมายแต่จะกินมรณะสัญญาตายรวดเร็ว แต่จำพวกธรรมสัญญามุ่งหมายธรรมมีน้อยมากสัตว์พิเศษที่แสดงไว้มีในที่ต่างๆน่าจะรวมกล่าวไว้ในที่นี้มีดังต่อไปนี้สีหะมีสี่จำพวกคือ 1. ตีนสีหะคือสีหะประเภทกิ่นยาเป็นอาหารมีขนมันดังปีกนกเขา 2. กาละสีหะคือ สีหะมีสีดำดังวัวดำ 3. าปันธรสีหะคือสีหะมีสีเหลืองดังใบตองกินเนื้อเป็นอาหาร 4. เกสรสีหะคือสีหะมีเกสรหรือเรียกว่าไกลศรได้แก่ขนส้อยอันอ่อนงามดังอัผ้าแดงมีค่าสูงมาพาดไว้ และขนในตัวที่ขาวดังสังขัดสีปากและปลายเท้าทั้งสี่แดงดังทาด้วยน้ำครั่งละลายด้วยชาติหราคุณปากและท้องก็แดงดังนั้นและเป็นแนวแดงตั้งแต่สีษะไปตลอดหลังเลี้ยวลงไปถึงขาคำว่าสีหะแปลว่าสิงโตก็มีตัวตนที่รู้จักกันในปัจจุบันแต่ถ้าแปลว่าราชสี ก็กลายเป็นสัตว์พิเศษดังที่เคยพบเห็นในภาพเขียนซึ่งอาจจะแผดเสียงให้มนุษย์และสัตว์เดรัจฉานอื่นๆหูแตกตายได้หรือคำว่าหงถ้าแปลว่าหงก็เป็นสัตว์พิเศษถ้าแปลว่าหาดก็เป็นสัตว์ธรรมดาไปตระกูลช้าง1ิบคือ 1. กาลาวกะ 2. คังเคยะ 3. ปัญทะ 4. ่ตัมพะ 5. ปิงคละ 6. คขันทะ 7. มังคละ 8. เหมะ 9. อุโปโปสถะ 10. ชัฏทันตะในมโนรถโบราณีกล่าวว่าช้างตระกูลกาลาวกะได้แก่ตระกูลช้างโดยปกติคือว่าท่านว่ามีกำลังเท่ากับบรุษ สิบคนรวมกันแต่น่าจะต้องเป็นบรุษที่มีกำลังมากเป็นพิเศษทั้ง10บคนจึงจะรวมกันเท่ากับกำลังช้างเชือกหนึ่งตระกูลช้างถัดจากนี้มีกำลังมากกว่ากัน10บเท่าส0บเท่าขึ้นไปโดยลำดับและสิบเท่าของช้างตระกูลฉัตรทันเรียกว่าตถาคตภละหรือกำลังนารายยังมีพวกปลาใหญ่ ที่กล่าวไว้ในคำพีอภิธานัปทีปิกาเจ็ดจำพวกคือ 1. ติมิ 2. ติมิงคิละคือกลืนปลาติมิได้ 3. ติมิระปิงคละ 4. อานนท์ 5. ติมินทะ 6. อัจฉรหะ 7. มหาติมิ มีกล่าวถึงในไตรภูมิพ ร, รวง7จําำพวกเช่นเดียวกันส่วนในคำพีอุทานกล่าวไว้3ามจำพวกคือ 1. ติมิ 2. ติมิงคิละ3ติมิติมิงคิละคือกลืนปลาทั้งสองนั้นได้ปลาใหญ่3ามจำพวกนี้ดูกล่าวไว้เป็นกลางๆโดยลักษณะที่ใหญ่โต จนถึงกลืนกันได้โดยลำดับแบบคำว่าปลาใหญ่กินปลาเล็กนอกจากนี้ยังกล่าวถึงครุฑหน้าและหง์เช่นที่กล่าวถึงในหนังสือนิทานชาดกหรือวรรณคดีเก่าๆซึ่งมีภาพเขียนหรือแกะสลักเกี่ยวกับเรื่องเทพนิยายเป็นต้นรวมความว่าสัตว์ลายฉานทุกจำพวกจะเป็นชนิดสามัญหรือชนิดพิเศษ โดยลักษณะธรรมชาติหรือโดยอำนาจบุญพิเศษเช่นเป็นราชาชนะได้ขึ้นระวางอย่างมียศก็ตามก็คงเป็นจำพวกอัศยภูเหมือนกันเปรตคำที่คนไทยส่วนมากได้รู้จักกันคำหนึ่งคือเปรตและเป็นที่เข้าใจกันว่าหมายถึงผีชนิดหนึ่งซึ่งมักจะมีรูปร่างสูงอย่างต้นตาลจึงมักใช้เรียกล้อ หรือกระทบคนที่มีรูปร่างสูงตามที่เล่าอ้างกันเปรตปรากฏกายแก่บางคนในบางโอกาสแต่ใครเป็นผู้เคยเห็นก็ยากที่จะอ้างเพราะไม่ได้ลองประกาศหาตัวทั้งถ้าจะมีใครมาเล่ายืนยันว่าเคยเห็นก็อาจจะไม่เชื่อเพราะมีพยานหลักฐานยืนยันแต่เรื่องเปรตนี้ก็คงเป็นเรื่องที่เล่าอ้างกันในหมู่คนไทยเรา ในลักษณะบางอย่างที่คล้ายคลึงกันมาช้านานจนเมื่อกล่าวว่าเปรตเป็นภาษาสันสกฤตภาษาบาลีว่าเปตะแปลว่าผู้ละไปแล้วหมายถึงคนที่ตายไปแล้วทั่วทั่วไปอีกอย่างหนึ่งแปลว่าบิดรคือญาติร่วมโลหิตผู้ใหญ่ผู้สืบสายตรงลงมาแต่มุ่งถึงญาติดังกล่าวผู้ละไปแล้ว ที่เรียกว่าบุรพาบิดรการทําบุญอุทิศให้บุรพาบิดรเรียกว่าปุปะเปตะเพลคำว่าเปรตมีคําแปลและความหมายดังกล่าวนี้จึงไม่ตรงกับเปรตตามที่เข้าใจกันเพราะหมายถึงคนที่ตายไปแล้วทั่วๆไปและบุรพาบิดรคือยากร่วมสายโลหิตชั้นผู้ใหญ่ที่ตายไปก่อนแล้วคํานี้ ในชั้นเดิมก็น่าจะใช้ในความหมายเป็นกลางๆทั่วๆไปอย่างนั้นและมักจะใช้ในเรื่องการทำบุญอุทิศให้ผู้ตายไปแล้วคือกล่าวถึงผู้ตายไปแล้วว่าเปตะในพระสูตรหนึ่งได้กล่าวไว้โดยความหมายว่าเปตชนคือชนที่ตายไปแล้วไม่อาจจะรับส่วนกุศลได้ทุกคนเฉพาะผู้ที่ไปเกิดเป็นประทัดตูปชีวีคือ ผู้มีปกติอาศัยส่วนบุญที่คนอื่นให้เป็นอยู่เท่านั้นจึงอาจได้รับในเมื่อได้ทราบและได้อนุโมทนากุศลที่ญาติในปัจจุบันได้ทำและอุทิศให้ในพระสูตรนั้นได้กล่าวว่าไม่เป็นฐานะที่จะว่างจากญาติร่วมโลหิตซึ่งได้ไปเกิดเป็นป ร, รัตั์ตัประชีวีเพราะใช้ในถ้อยคำดังกล่าวบ่อย เม่ได้ยินคําว่าเปรตก็ทําให้นึกถึงผีจําพวกนั้นทันทีซ้ํายังมีเรื่องกล่าวถึงเปตะญาติคือญาติผู้ตายไปแล้วของพระเจ้าพิมพิสารซึ่งไปเกิดเป็นผีจําพวกหนึ่งมาขอรับส่วนพระราชกุศลของพระเจ้าพิมพิสารก็ยิ่งทําให้ความเข้าใจเอียงไปถึงผีจําพวกนั้นและแม้เป็นผีคนอื่นไม่ใช่ผีญาติของตนมาอยู่ในลักษณะเดียวกัน ก็เลยเรียกว่าเปรตด้วยกันทั้งหมดเปรตคือคนที่ตายไปแล้วคือยังไม่ได้กล่าวว่าตายไปเป็นอะไรก็เลยเปลี่ยนความหมายว่าตายไปเป็นเปรตกลายเป็นภูมิชั้นอีกชนิดหนึ่งของอบายคือทุกติเรียกว่าปีตติวิสยะแปลกันว่าวิสัยคือแดนหรือถิ่นฐานของเปรตแต่คำว่าปิตติ น่าจะแปลว่าของบิดาคือปิตริในภาษาสันสกฤตมีคำเทียบในภาษาบาลีคือเปติกะแปลว่าของบิดาคำนี้ก็มีความหมายเปลี่ยนแปลงไปจากในวงญาติจนหมายถึงเปรตทั่วๆไปในเรื่องพระเจ้าพิมพิสารแห่งมครดรัฐทรงทำบุญกุศลอุทิศแก่เปรตที่เคยเป็นญาติ แต่ก่อนนั้นพระอาจารย์ได้แสดงรูปลักษณะของเปรตที่มายึงรับส่วนบุญที่ภายนอกฝาตําหนักเป็นต้นว่าเปรตเหล่านั้นเสวยผลของความริษยาและความตรนีบางพวกมีหนวดผมยาวมีหน้าดำบางพวกมีเส้นเอ็นหย่อนมีอวัยวะใหญ่น้อยห้อยย้อยผอมโซหยาบและดำ บางพวกยืนดำเครียมเหมือนต้นตาลที่ถูกไฟป่าไหม้บางพวกกระหายจนเป็นเปลวไฟในท้องแลบออกจากปากบางพวกมีหลอดคอเล็กขนาดปลายรูเข็มแต่มีท้องใหญ่อย่างภูเขาแม้จะได้ข้าวน้ำก็บริโภคไม่ได้ตามต้องการต้องรับแต่รสของความหิวกระหายบางพวกตะกลุ่มตะกรามดื่มเลือดหนองและไขข้อ เป็นต้นที่ไหลออกจากปากแผลฝีและต่อมที่แตกของกันและกันหรือของสัตว์เหล่าอื่นทั้งหมดล้วนมีรูปร่างพิกลน่าเกลียดน่ากลัวในที่อื่นได้กล่าวถึงเปรตมีรูปร่างวิปริตต่างๆได้รับทุกทรมานในอาการต่างๆกันสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรส ได้ทรงประมวลชนิดเปรตไว้สี่ชนิดในหนังสือธรรมวิจารณ์คือ 1. รูปร่างไม่สมประกอบสูบผอมอดโซดังกล่าวแล้ว 2. ร่างกายพิการเช่นร่างกายเป็นอย่างของมนุษย์แต่ศรีรษะเป็นอย่างของสัตว์กระฉานเช่นเป็นกาบ้างเป็นสุกรบ้างเป็นงูบ้าง 3. รูปร่างพิกล เสวยกรรมกรอยู่ตามลำพังด้วยอำนาจบาปกรรม 4. รูปร่างอย่างมนุษย์ปกติแม้เป็นผู้สวยก็มีมีวิมานอยู่แต่ในราตีต้องออกวิมานไปเสวยกรรมกรกว่าจะรุ่งเรียกว่าเวมานิกระเปรดเรื่องเปรตเหล่านี้มักเล่านิยายถึงคนทำบาปตายไปตกนรกแล้วพ้นจากนั้น มาเกิดเป็นเปรตก็มีในลทัทธิลามะของทิเบตตามหนังสือเล่มหนึ่งได้กล่าวถึงเรื่องเปรตว่าเป็นผีเจ้าพวกอดอยากหิวกระหายเพราะเมื่อมีชีวิตอยู่ในโลกเป็นคนตระหนี่โลภจัดไม่มีการสละบริจาคมีแต่มักได้จึงมาเกิดเป็นเปรตมีปากไม่โตกว่ารูเข็มหลอดคอไม่กว้างกว่าเส้นผม แม้จะพบอาหารและเครื่องดื่มมากมายก็ไม่อาจจะบริโภคให้เพียงพอแก่ความต้องการของร่างกายที่ใหญ่โตและอาหารอะไรๆที่บริโภคเข้าไปก็กลายเป็นของร้อนแผดเผาอยู่ในกระเพาะเปลี่ยนเป็นมีดเลื่อยและอาวุธอื่นๆทิ่มแทงลำไส้หล่นลงไปยังภาคพื้นทำให้เป็นบาดแผลเจ็บปวดพากันร้องคร่ำครวญ หาน้ำหรือขอน้ำอยู่เนียงนิดความกระหายน้ำมีมากดังที่เขียนเป็นภาพมีเปลวเพลิงแลบออกมาจากปากและเมื่อพยายามที่จะจับต้องน้ำที่ได้ก็กลายเป็นไฟขึ้นและกล่าวว่าเปรตทั้งหมดมี36ชนิดแบ่ง เ, เป็นหมู่เป็นหมู่มคือเป็นเปรตต่างศาสนาที่น่าสยะเสแวงเป็นเปรตพุทธศาสนิกที่น่าสยะเสแวง เป็นเปรตที่กินดื่มน่าสยดสยงเพราะสิ่งที่กินดื่มเข้าไปกลายเป็นอาวุธต่างๆเป็นเปรตที่ไม่ถูกจํากัดที่อยู่เที่ยวไปได้ในโลกมนุษย์ในวงเล็บอีกมูหนึ่งน่าจะเป็นเปรตที่ถูกจํากัดที่อยู่จึงรวมเป็นห้ามู่ดังกล่าวในหนังสือเปรตเหล่านี้มี36ชนิด ตามลทัทธิลามะในหนังสือนั้นคือ 1. มีร่างกายแบนคือแบนอย่างใบไม้นอนหงายได้อย่างเดียวคือมีคำเรียกการนอนอย่างนี้ว่าเปตาสยยา 2. มีปากเล็กเท่าเข็มมีลำคอเล็กแต่ท้องโตเพราะเมื่อมีชีวิตอยู่อยากแต่จะกินอย่างเดียว 3. กินสิ่งที่อาเจียนออกมาของผู้อื่น 4. กินอุจจระปัสสาวะเปรจจำพวกนี้เห็นวัชกุดีคือซ่วมเป็นที่ปรุงอาหารที่ดีที่สุดคือผีกระสือกระมัง 5. กินหมอกเพราะเห็นหมอกปรากฏตุดอาหาร 6. เลี้ยงตัวด้วยน้ำที่เขาให้ 7. มองเห็นยาก เพราะมีรูปละเอียด 8. เลี้ยงตัวด้วยเคละที่ผู้อื่นถมทิ้งไว้คือผีกระโถนกระมัง 9. กินผมขนเพราะเห็นอยู่แต่เฉพาะผมขนเท่านั้น 10. ดูดเลือดของผู้อื่น 11. เเลี้ยงตัวด้วยความคิดอันเป็นบาปอันชั่วร้ายของผู้อื่นเพราะเป็นความคิดที่อยู่ในระดับ เดียว ก, กันกับของตน 12. กินเนื้อของตนเอง 13. เลี้ยงตัวด้วยควันธูปที่เขาบูชา 14. ทําทำความไข้เจ็บคือเป็นเหตุให้เกิดความเจ็บไข้ 15. สอดสายเพื่อจะรู้เห็นความลับที่เขาปกปิดเช่นเดียวกับพวกจาร บ, บุลุษคือผีนักสืบกระมัง 16. หลบซ่อนอยู่ตามแผ่นดินไม่กล้าแสดงตัวในประชุมชน 17. เป็นวิญญาณหรือผีเที่ยวทำเสียงรบกวนในที่ต่างๆคือแสดงเสียงหลอก 18. มีเปลวไฟออกมาจากข้างในไหม้ของกินของดื่มเสียหมดในเวลาที่เปิบเข้าปาก 19. ลักพาเด็กเพื่อกินเป็นอาหาร 20. อาศัยอยู่ในทะเล 21. ในหนังสือไม่ได้เขียนไว้ 22. ถือตะบองของยมราชคือองค์รักษ์หรือผู้รับใช้ของยมราช 23. อดอยากทนทุกทรมาน 24. กินเด็ก 25. กินอวัยวะภายในของสัตว์และคนอื่นเช่นตับ ไส้พุงคือผีปอบกระมัง 26. รักษะหรือรากศกมีร่างกายแข็งแรงน่ากลัวอยู่ตามประช้ามีซากศพเป็นอาหาร 27. กินควัน28อาศัยอยู่ในที่ลุ่มต่ำหรือที่น้ำขังที่ชื้นแฉะซึ่งไม่มีใครอาศัยอยู่ 29. กินลม30เลี้ยงตัวด้วยเท่าฐานที่ได้ในที่ต่างๆ31กินสิ่งเป็นพิษ32สอาศัยอยู่ในทะเลทราย33เลี้ยงตัวอยู่ด้วยเปลวไฟแลบที่มีในที่ต่างๆ34สอาศัยอยู่บนต้นไม้35อาศัยอยู่ตามข้างถนน36 ฆ่าผู้อื่นเพื่อเข้าสิงอยู่ในร่างกายเขาแทนเปรต36ชนิดตามที่แบ่งไว้นี้ดูคล้ายเที่ยวเก็บอะมนุษย์หรือผีที่กล่าวถึงในที่ต่างๆมารวมไว้เท่านั้นไม่ใช่จัดตามหลักเกณฑ์ที่จะทำให้ได้ความเข้าใจและมองเห็นว่าประมวลมาไว้ทั้งหมดแต่ก็หลายจำพวกที่ตรงกับคติในคำพีทางฝ่ายใต้คือหีนยาน เช่นชนิดที่22ว่าผู้ถือตะบองของยมราชเป็นเปรตชนิดหนึ่งในอัถกถ า, ธาภาละปันฑิตตสูตรพระอาจารย์กล่าวว่าองค์ยมราชเองซึ่งเป็นเจ้าแห่งนรกเป็นเปรตชนิดหนึ่งเรียกว่าเวมานิกกเปรตแปลว่าเปรตมีวิมานอยู่ฉะนั้นพวกยะมะบุรุษคือคนของยมราช ก็น่าจะเป็นเปรตชนิดหนึ่งเช่นเดียวกันส่วนรากศกหรือรักษะซึ่งนักเรียนบาลีในเมืองไทยแปลกันว่าผีเสื้อน้ำพระอาจารย์ทางฝ่ายเราอธิบายว่าหน้าขาวท้องเขียวมือเท้าแดงเขี้ยวใหญ่เท้ า, ทาเกยรูปพิกลน่ากลัวอาศัยอยู่ในน้ำคือไม่ใช่ในป่าช้า ไม่ได้กล่าวว่าเป็นเปรตชนิดหนึ่งส่วนทางมหายานเก็บมารวมเป็นเปรตชนิดหนึ่งด้วย